สถานที่นี้เป็นสถานที่ปริมิพานของพระพุทธเจา้าอี่ยที่ฟังเมื่อวานเนี่ยที่อ่านว่าก่อนที่พระองค์จะปริมิพานนะพระองค์นอนป่วยทรงกระชวนอยู่ก็าถามที่สุดทั้งหลายนะว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายมีใครสงสัยอะไรไหมติดข้ออะไรไหมในจิตใจเนี่ยข้อปฏิบัติต่างๆที่จะออกจากทุกข์สงสัยไหม นถามตรงนี้เลยนะนี่เก็มแท้มันอยู่ถึงขนาดจะประชวนละเลือาจะไปนิพพานแล้วจะตายจากกันแล้วมีข้อสงสัยไนะมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ทางคายอยู่ในจิตใจมีนะมจะได้จะได้เยวเรามีใครถามอ่าตอนที่พระองค์ยังทรงพะเยอยู่ทำไมไม่ถามอ่ะความสงสัยทั้งหลายเนี่ยทำไมเก็บเอาไว้จะได้ไม่ต้องห่วงใย ให้ถามเสียบแบบนี้ไปต้นปลาให้ถามเลยทาก็เงียาบจิตเลยนะต่างคนต่างสํารวมเข้ามาที่จิตของตัวเองไม่ให้จิตออกไปสักสายไปทางไหนเลยอยู่กับตัวเองตลอดเราก็คิดดูก็แล้วกันนะอยู่ใก้พอปุตตะเจ้าเป็นยังไงแค่เราเดินทางมานมัต ก, การเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติบูบชาเนี่ยใจก็เราก็ยังมีผลต่อจิตใจเราขนาดนี้ ลองพระพุทธเจ้านอนสงประชวนอยู่ข้างหน้าแล้วสาวกก็นั่งสำรวนจิตใจอยู่แล้วจิตใจจะเป็นยังไงก็ต้องเข้ามาหาตัวเองหมดเลยเราก็ว่าพระเนี่ยเงียบหมดเลยไม่มีใครสงสัยอะไรทีนี้ประโยคสุดท้ายแล้วนะทีนี้ก่อนจะตายจากกันไปเป็นประโยคสุดท้ายเลยเรียกว่าปชิมวาจาเหมือนกับพ่อแม่จะจากลูกไปแล้ว คำสั่งเสียสุดท้ายนี้แหละสําคัญที่สุดบางทีโยเป็นแก่นแท้ของคําสอนเบื้องตั้งเพราะเป็นคําสั่งเสียสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราก็จะมาฟังดูว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าอย่างไงหันดาดามิพิคเ ว, อ า, งงาาวอามันตยามิโวเดี๋ยวพุทเจ้าพูดอย่างนี้นะวยะธัมมาซั่งฆาราอัปมาเดธาอปมา อะปมาเดนัตตัมปาเดถาติดูก่อนที่จุตทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอจึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถูงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เ, เนี่ยมาตรงนานทีที่เราจะมาทำความเข้าใจประโยชน์สุดท้ายหรือพระวาจา สุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือให้สติเลยสังขารเ่ย <Yeah. S 1> คืออัตภาพร่างกายชีวิตของเราเนี่ยก็เอาพระ อ, องค์เนี้ยเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนี่เนี้ยสังขารทั้งหลายมันเสื่อมชื้นไปเป็นธรรมดานะไม่ว่าเขาไมีว่าเรานะั้นแม้แต่เราจะถาพดมันก็เสื่อมสิ่นนะเนี้ยสื่อมชื่ไปเป็นธรรมดาด้วยไม่ใช่ของท่าเจ็บปวดหน้าทุกทรมานน้าเป็นห่วงเป็นใยหน้าอะไรเอาาไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้เอง ถ้าากว่าเรานอนขอเขามาแล้วร่างกายของเราเป็นธรรมดาจริงมันต้องเสื่อมสิ้นสลายไปแม้แต่ของพระพุทธเจ้าก็ต้องเสื่อมสิ้นสลายไปห้องวัด ต, ตัดให้สติเลยขันดานาณิพิทเวดิวิการพิสูจทั้งหลายเนี่ยอามันประยาณิเวฏิยยะธรรมมาช่างฆ่าราสงขารทั้งหลายมีความเสื่อมชิ่งไปเป็นธรรมดาเนี่ยอาไปมาเดูนะสัมปาทถฏฐิยังประโยชนตนประโยชนเตนคืออะไร ประโยชด์ตนก็คว่าหาทางออกให้กับจิตนะอย่าให้มันมีความทุกขมาสัมพันจิตได้อย่าให้หงุดหไปกับอารมณ์ภายนอกเวลามีอะไรเกิดขึ้นแบบสัมพันวจจิตให้ดีเนี่ยถ้าหาว่ามันยังไม่แต่วางไม่ได้หมดเกิดก็ต้องสําพันธจิตให้ดีเนี่ยถึงประโยชน์ตนประโยชน์ตนหมายความว่าเข้ามาหาจิตตัวเองไม่ให้จิตัวเองออกแปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาทําให้เกิดเป็นทุกข์เวลาเดิ น, นทางก็เหมือนกันไปทีไ่ ไ, ไหนไปตรงไหนมาไหนเนี่ย เราจะพบเห็อะไรแต่เราก็องวนจิตอยู่เราจะเห็นชัดเจนอยากถ้าจิตล้วไม่ออกเหตุการณ์เข้ารอกก็เอามันก็ไปเกิดตาก็เป็นธรรมดาไปเดีย๋ยวมันก็เป็นธรรมดาอย่างเทวพรตุ้งเจ้าสอนจริงจริงเพราะเราอยู่กับจิตเรานี่มีสติรักษาจิตไว้มีปัญญารู้เท่าทานแบบมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอย่างนี้เองโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนะเหมือนเราผ่านเขาเขาอยากได้เขาอยากต้องการเขาหูวเขาโหย พขาทุกเขาอยากเขาลําบากแล้วเขาไม่รู้ธรรของพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องทําไปตามความรู้สึกนิคิทของเขาและที่ที่เราก็คือว่าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนจิตเราโอ้เป็นธรรมดาเดี๋ยเขาก็มีระดับของเขาเป็นอย่นิริยาความนึกความคามิดความรู้สึกนิคิทของเขานีทีนี้มันก็เข้ามาใครทําอะไรก็ตามทีนี้มันก็จะเป็นไปตามความรู้สึกนิคิดอยู่ภายในนั่นแหละว่า จิตใจเนี่ยมันมันยังไงเนี่ยต้องการอะไรทําเพื่ออะไรก็อยู่ที่จิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตนี้มันสมบูรดีมันรู้ทำมากขึ้นมันก็จะรู้ว่าจิตหมายปลายทางจริงๆเนี่ยก็คือสอมจิตตัวเองนี่แหละเรียประโยชน์ตนก็คือสอมจิตเราให้รู้ให้รู้ให้เข้าใจเสียอย่าให้ไปหลงยึดมันถือมั่นอะไรต้องมาที่นี่เลยนะนี่ประโยชน์ตนถ้าหากว่าเรายังมีทุกอยู่อ่ะมันยังไป เอาเรื่องข้างนอกมาทําให้จนเป็นทุกข์ได้อยู่แสดงว่าประโยชน์ตนยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะองค์สอนมาให้ประมาณนะที่ี่ต้องให้ประมาณนะเมื่อทําประโยชน์ตมได้แล้วเนี่ยเมื่อเองใจมันไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้สอนคนอื่นได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้อยู่ที่ไหนมันก็ทําให้สถานที่แห่งนั้นมีความสงบมีความเยอกเย็นมีความสบายเนี่ย อยู่เฉยๆก็นะเป็นตัวอย่างเนะยียบเย็นภายในจิตใจให้ดูมีความสงบอยู่ภายในนะไม่มีความทุกขนะ์ทำอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรก็มีความเป็นธรรมมีความชอบธรรมพอไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไ ม, ม, วไม่ไม่ทำเพื่อตัวเพื่อตนแล้วเนะนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ข่านเะื้อยเป็นประโยชน์ตนก่อนเพราะนั้นประโยชน์ตนมีสำคัญเนะพราะนั้นเรามาเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ตนก่อนก็คือต้องมา แล้วก็มายัางสถานที่พิพงปรินิพานด้วยแล้วเป็นสังเวชนิยสถานสุดท้ายแล้วก็ได้พูดแล้วโมชาเนี่ยวังเวชนิยะสถานหมายถึงเป็นสถานที่กระตุ้นเตือนคำว่าสังเวชนิยะเนี่ยสังเวชเหมายว่ากระตุ้นเตือนจิตของเรากระตุ้นเตือนจิตของเราเนี่ยให้นึกถึงความจริงให้นึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งว่ามันมันกระตุน้นถ้าหาวามาแล้วมันกระตุน้นเตือน ว่าเออพระพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพานเหมือนกันนะเนี่ยเรามาถึงสถานที่แล้วเนีเราก็ะตุ้นเตือ น, น, นจิตเราได้ว่ามันเสื่อมขึ้นไปเป็นธรรมดานะแล้วก็ต้องได้ประมาทด้วยนะที่นี่นี ย, ยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือว่ารู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ทางออกของจิตใจตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงประทานคําสอนเอาไว้ให้แล้วก็ต้องมาประพฤติปฏิบททัติทีนี่ ให้แน่ใจว่าจิตของเรามันรู้ทางออกมีทางออกแล้วมันออกได้มันจะค่อยๆ อ, ออกได้ถ้าถูกทางนะตรงกับหลักธรรมของคนติจ้าจะต้องมีทางออกแล้วก็ค่อยๆอ อ, ออกไม่ใช่ว่าออกทีเดียวเลยนะเหมือนเรามาเนี่ยเราจะหวังว่ามันออกได้เลยอย่างรวดเร็วไม่ใช่นะบางทีรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ต้องมาปฏิบัติอีกก็ต้องปฏิบัติไปตามลําดับค่อยเป็นค่อยไปไหมายว่ามันจะออกมัจะออกเองแต่เราปฏิบัติสร้างเหตุ ให้เพียงพอสร้างเหตุให้ถูกต้องตรงแล้วก็ต้องเพียงพอด้วยเมื่อเพียงพอแล้วจิตมันจะออกเอ ง, องนั่เวลานมันออ ก, กออกเองเพราะนั้นเราทําหน้าที่ของเราก็คือสร้างเหตุให้ถูกต้องส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมเราปฏิบัติตามให้มันตรงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคาสั่งสุดท้ายเลยตัดชิ้นมาวาจาเลยวาจาครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะปรินิพานเลยดูก่อนที่สื่อทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมขึ้นไปเป็นธรรมดาธรรมะสังขารรวมทั้งร่างกายรวมทั้งจิตใจทั้งหมดนั่นแหละรวมเข้ามาเป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าสังขารทั้งหมดอะถ้าว่าสังขารจริงๆก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังขารหมดเลยสิ่งที่ยิ่งแต่งขึ้นมาในโลกเรานี้ในจักรวาลนี้เรียกว่าเป็นสังขารก็ได้ ของฉังขานทั้งหมดเนี่ยเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดายึดมัน่นถือมันอะไรไม่ได้เลยเวลาเจออะไรที่มันเสื่อมมันชิ้นมันสลายเราก็จะได้ทำใจได้รวมทั้งร่างกายของเราร่างกายคนอืน่นด้วยบิลล้านเลนเนี่ยญาติพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขานหมดเสื่อมชิ้นไปเป็นธรรมดาหมดหรือต้อง ส, สอนจุดเราให้ได้ว่าอันนั้นเป็นธรรมดาด้วยมาพร้อมเลย มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอ่ะบอความจริงมันมีอยู่เนี่ยพระเจ้าประทานมาใหนะ้แล้วยิ่งถ้าเรามายังสถานที่แห่งนี้เลยเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระองค์อ่ะพูดครั้งสุดท้ายเลยพอพูดจบปรินิพานเลยมีเยี่ยมยอดขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนจนสุดท้ายในวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะเป็นทาสิสอนใจเนี่ยดูตอนที่ผีทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอจึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็รู้แล้วศึกษาคําสอนของพระองค์ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติไปตามลำดับตามลำดับจนมันปล่อยวางสังขารได้พ้นจากทุกได้พ้นจากทุกนั่นแหละคือถึงปิพัน์พิจถึงปณิพานธ์แล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอกันทีกับวัฏจักทุกนี้ ไม่มีอะไรเลยเรียนมาเพื่อที่จะเศร้าโศกเถ้าองก็ตัดเหมือนกันแหละเนี่ยว่าก็ต้องเรียนว่าตายเกิดเหมือนกันเพราะไอ้ความไม่รู้ตรงนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเรียนเท่องค์หาทางออกก่อนหาทางออกได้แล้วก็รู้ว่าโอ้ทางออกมีอยู่เนที่จะมาจมอยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วเราเราไม่มีที่สิ้นสุดพอทีหยุดกันที ถึงเวลาแล้วยุติแล้วนี่ที่ประโยชน์เตนมที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ประโยชน์ท่านก็คือเอามาสอนกันมาบอกกล่าวกันมาแนะนำกันแล้วพากันประพฤติปฏิบัติกันเพื่อหาทางออกให้กก่จิตของตัวเองมีเท่านั้นตามพระพุทธเจ้ามาเนี่ยก็เพื่อที่จะตามมาว่าพราะองค์สอนอะไรสอนให้เราทำยังไง แล้วจิตไม่ปลายทางคืออะไรเมื่วลาเข้าใจแล้วเราจะได้เดินตามทางของวงให้ถูกต้องด้วยความไม่ประมาเทเถิดเนี่ยคราวนี้ต้อมาที่ไม่ประมาทแล้วนะทีนี้อาจจะ่ว่าเรามาเนี่ยโอ้จิตใจมันรู้สึกว่ามันมีกําลังหลักโอ้โหมาถึงสถานที่จริงๆเลยเนี่ยพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงสอนจริงแล้วสอนอะไรเน้นหนักที่อะไรสอนพระ สอนผู้แวดล้อมอยู่เนี่ยเรามาได้ยินได้ฟังมันก็มีความมีน้ําหนักมีความลึกซึ้งเข้าไปถึงใจถ้าจิตใจเรามันรู้สึกว่าเออมันกระตุ้นและล้นขึ้นมามันตื่นตัวขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระเจ้าสอนอะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี่เนี่ยมันก็ไม่สมกับความเป็นสาวกเลยนะ กาว่าเราน้มเข้ามาเราเป็นสาวกพระองค์สอนสาวกและสอนด้วยความตั้งออตั้งใจเนื่ยพัฒ น, นาสุดท้ายจะตายอยู่แล้วพระองค์ก็ยังประทานคําสอนเอาไว้เป็นคําสอนวาระสุดท้ายจริงๆเลยดูก่อนที่สุดทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมขึ้นไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นความจริงเรือยที่วงตักเรื่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยเธอจึงยังประโยชน์เป็นประโยชน์ทให้ถึงพร้อม ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือถ้าหาว่าประโยชน์ต้นมันถึงแล้วก็ที่เหนือก็ทําประโยชน์เพื่อตนอีกทําประโยชน์โดยที่ไม่หวังอะไรเลยอ่ะเหนือประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเลยด้วยความไม่ประมาทเลยหรือถ้าเราประโยชน์ต้นยังไม่ถึงเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นอย่างนั้นทัญกว่าเราไม่สํารวมไม่ระวังไม่ปฏิบัติตามคำสอนของูงนี่คือชื่อว่าประมาทแล้ว ทำเล็กๆน้อยกว่ามากแล้วนี่ก็ประมาทอีกผัดร้านกับพวกปั้นผู้นี่ก็ประมาทีเห็นอย่างอื่นสาคัญกว่าการสํารวจจิตสํารวมใจการปฏิ บ, บัติจิตของตัวเองนี่ก็ประมาทีกทํำเล็กๆน้อยๆที่จะทํามากก็หยุดไปนึกขึ้นมาได้ทําอีกนี่ก็ประมา ท, อยอยทีทาททาโผ้ไม่ประมาทไปหมดเลยนะเอาเราเอาฐานะของเราเนี่ยเป็นขลาวะ เป็นโยมมันก็ต้องมีการมีงานใช่คองเรือนแต่ว่าเราเอาตรงนั้นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมอะไรเกิดขึ้นในชีวิต เ, เราถือว่าเป็นบทเรียนหมดโอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่กระมาดแล้วมันมีเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นกระทบกระทั่งเรื่องเราอะไรต่างๆเอามาเป็นเครื่องดูทดสอบจิตเราเอามาเป็นบทเรียนสอนจิตเรา ถ้าทางออกให้กับจิตเราโอ้ย่างนี้ต่งเลยนะเด็กเป็นโยมกูก็ปฏิบัติทําได้เพระพระ อ, องค์ตอนมีชีวิตอยู่ก็จะลิบไปสอนทงางพระทางโยมโยมก็สอนตามสภาพของโยมตามฐานะของโยมก็คือทําอะไรอยู่ก็ตามถือเป็นการปฏิบัติธรรมหมดอะไรเกิดขึ้นเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นแบบทดสอบเอามาเป็นแบบฝึกหัด การอิจงพัฒนาจิตของตัวเองให้มีสติควบคุมจิตให้ดีไม่งั้นมันจะทุกข์เข้ามาแล้วโอ้เตงเลยที่หนึ่งเห็น ช, ชัดเลยว่าโอ้มันเป็นทุกข์ได้ยังไงนี้ถ้าสัมยมจะเห็นชัดเห็นชัดที่นี้ไม่ประมาทแล้วที่นึ่งต้งพยายามแล้วถ้าพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ต้องดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญสรรเสริญจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะ คนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวิธีปฏิบัติเราก็พอเข้าใจกันแล้วจะต้องมาดูว่าตอนนี้จิตของเราอยู่กับตัวเราไหยถ้ารู้ว่าจิตของเรามันอยู่กับตัวเราได้นั่นแหละถูกแล้วยายได้แล้วรือว่าจิตเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่ได้ไหลไปข้างนอกมันอยู่กับตัวเราสติตัวนี้จะตั้ไว้ก่อนตั้งจิตก่อนพรเจ้าบอกว่าสตินี้เป็น จิตของเราวไว้แล้วจิตก็อยู่กับตัวเราอยู่กับตัวเราแล้วถ้าสติมันมีกําลังเพิ่มขึ้นสมาธิมีกําลังเพิ่มขึ้นอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้นี่เลยมีสติสัมปชัญญะตอนนี้กําลังมันเพิ่มแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วกําลังเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวมันต้องปฏิบัติไปตามลําดับอย่างนี้ต้องรอให้กําลังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แล้ก็จะเห็นเห็นแล้วรู้รู้ที่นี่รู้รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงรู้ว่าไม่ใช่ของเรารู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปที่จะค่อยๆคล า, า, ายจากความยึดมั่นถูอมัน่นนี่มาที่นี่ทิ้งเ่องอะไร่างนั้นอ่ะเราต้องการให้จิตของเรามันไป้งม่นวิธีการก็อาจจะแตกต่างกันไปหรือว่าแม้คนคนเดียวกันแต่ละครั้งเนี่ยบางทีก็แตกต่างกันไปเแนทางไหนคือความให้จิตของเราเน่เน่ เหนื่อน่งต่้งน่นมั่นคงรู้ว่าอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบตปยมีขีดหนุนตะไครลัดเราทำได้แต่ถ้าเอาว่ากำลังมันมากพอจริงๆนะมันไปถึงจิหนึ่งแล้วมันจะแสดงความเปลี่ยนแปลงเองเลยนะ ได้เองเลยนะจังหวะไหนก็ตามที่มันเหมือนกันลงตัวมันมีความพอดีอยู่ภายในจิตของเราเรียกว่าองค์มรรคเนี่ยมันพอดีมันสม่ำเสมอสภาวธรรมก็เกิดขึ้นได้เวลามันเกิดขึ้นก็คือเห็นเห็นในจิตเน่ยมันไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขั้งนน้าตาแล้วจิตเราจะวางเฉยตอนนั้นจะเบาสบายที่สุดเลย แค่แค่เห็นเนี่ยแค่ได้เห็นเ ล, ล, ล, ล็กน้อยๆก็ตามก็จะรู้สึกเหมาสบายสมกับที่เราเห็นเล็กน้อยถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเมายิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยอันนี้หมาว่าผลของมันหรือผู้ที่ปฏิบัติแลแ้วไปถึงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเาราปฏิบัติไปถึงไหนนี่นะว่าสติถ้าสติมันควบคุมจิตถ้าสติถ้าจิาตมัน จิตมันมันมันสติมันยังอ่อนอยู่อินทรีย์มันยังอ่อนเนี่ยจิตมันเร็วเพราจิตมันจะเพ้อไปบ่อยๆสติเราคอยเหมือนจะคอยควบคุมจิตเอาไว้อะเพราะฉะั้นสติเนี่ยมันเหมือนแต่มันคอยจ็บเจ้าจ็บจอคอยจังดูอ่ะคอยดูก็คือดูจิตเองมันจะเผ้อไหมมันจะไปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเดี๋ยวไปหรือทำก็กลับมาไป มีความกลับมาอันนี้ก็คือว่าจิตมันยังเร็วอยู่มันก็ยังไปแต่ทีนี้ถ้าจิตมีกําลังเพิ่มขึ้นสมาธิมีกําลังเพิ่มขึ้นจิตออก็จะอยู่มีอารมณ์เดียวมีนคือเป็นสมาธิขึ้นมาพาจิตมันเป็นสมาธิสติก็จะลดความสำคัญลงไปจจะดูเฉยๆได้ ไม่เป็นไปเพื่อการรู้ความจริงเพาะมัลงไปพักเฉยๆเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยคือพระเจ้าไปศึกษาจ า, ากอุทกกาดาบทาราและดาบทรายเนี่ยก็คือมาถึงพวกเหล่นี้แต่พระองค์ก็รู้ว่าเรื่อนี้อย่างไม่ใช่่ะแต่ว่าอาจารย์สองคนนั้นบอกว่าใช่แล้วมามาเชื่อจำเป็นครูบาอาจารย์ทำเนียนโยกันไม่หละการรู้อย่างไงเราไปรู้อยานั้ล่ะเราเห็นอย่างไรต้องเห็นอยนั้นล่ะ ก็มไม่เชื่อกันสอนใช่ไหมผู้เรู้นี่ของการปนจจานะเป็นคนใหญ่เหยื่ยั ง, ย, งยังไม่ใช่ทำเมยังไม่เคยตางออกจากทุกเหยังไม่้นทุกจริงแต่อาจารย์ทั้งสองไม่รู้แต่ที่นี่ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นแล้วผู้เจ่าก็ต้องมาทำจิตเป็นสมาธิแล้วรู้ความจริงนั่นรู้างองผู้เพิ่มขึ้นมาอีกเรามามาม่รู้ความจริงว่ามัน ภ า, ายตกฎไลเป็นอนีจ้จงุกขังวนตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผานมาผ่านไปเเฉยแต่เม่ิตกวางจนเพอ่วางได้หมดเจบจริงๆแต่ทุกขลม บ, บาลมีก็อ า, าจะจะแตกต่าจากเราบ้างแต่พือได้มียามเกิดขึ้นก่อนอรู้ว่าดีเดเป็นอะไรมาร่หมดในพูติเจ้ายแต่ผมไมยามมาชไม่ยามก็รู้การเกิดกตายของสักทั้งหลายแล้วก็พอ แตชีายามก็หมดชื่อนาสารกิเลสเส้นเราที่เห็นความเกิดดับเนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้นะในชีวิตคนเราเนี่ยมันมันมันว น, นเวียนอยู่เกิดดับเกิดดับดอยู่เนี่แหละบางทีมันก็สามารถทวนออกไปได้โอ้โหชีวิตของคนเราเนี่ยมันมกรรมเป็นของของตนจริงๆนะมันทำไมเห็เนว่าใจเกิดอย่างเนี้เกิดไม่น้อก็อาบ น, น้ำถูกกรรมก็มีที่เทนแต่จิตของเราอยู่อย่างนั้นนะ่ย เมื่อเข้าใจตัอก็เข้าใจคน อ, อื่นด้วยเมื่อไปที้ว่ากรรมหนึ่งกันเนี่แต่ว่าเออความชัดเจนความแจ่มเจ้าจะไปเทียบเพราะผูะ้ไเจ้ามันเทียบไม่ได้หรอกแต่ความเข้าใจมันก็พอมีอ่ะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนะีะตลอดโลกทั้งหลายมันก็เวียนว่ายไปเกิดอย่างนี้เองก็วนเวี้นสร้างกรรมอยู่น่หละถึ ม, มีตัวตนจะทําอะไรเพื่อตัวเต็นนี่แหละมันก็เป็นกรรมขึนะ้นมา ถึงรมามันก็ส่งผลก็จะมารับกรรมมาสวยกรรมก็มีลูกมีนามมาสวยกรรมมารับกรเหมือนเราอยู่นี่แหละเจอนั่นเจอน่เจอรน่ต้องมีกรรมนอดีมีเสียงด้วยเนาะเพรนไม่มีุยบอกแล้วต้องมีเหแ้วนั้เคยทมาเดืต้องกรรมในปัจจุบันนี้ด้วยก็จะสร้างกรรมใหม่กรรมในปัจจุบันนี้เป็นกรรมใหม่ส่วนกรมเก่าในอดีตเราทำมาแล้วเพราะนั้นนีไม่หรอก แล้มือมันมีอะไรเกิดขึ me, ้นยอมรับเขาได้น้องไม่ต้องมาทาใจแล้วนะฝึกจิตแล้วนะเพื่อนจิตเป็นทุกยอมรับเลยโอ้ไมดีเราทำไาแล้วก็ต้องยอมรับไปไหนมาไหนเจอเหการอะไรต่ออะไรไม่ใช่รื่มีเหตเหเสมอแล้วเราไม่เคงต้องดเคเกี่ยวข้องกันมาเคยเื่มกันมา่ยมันเป็นอย่างนี้แตไม่เหตุไม่ใช่เราไไหนมาไหนก็เออเจอญาติพี่น้องของเราเคย เหมือนตายเกิดกันนานมานานสมกับที่เจ้าบอกเราว่าถ้าเห็ือนกันใครจะคนนึงต้องคำาิคานหน่งเลว่าเคยเป็นที่เป็นน้อเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาลูกเต้าร้านเลี้ยงซึ่งกัละกันมาเป็นข้าศึกเสรตุกันมาเดยชื่อเรียวกันทั้งนั้นทัางเป็นทังนิทังศัตรูกันเลยแต่เวลาเกี่วข้องกันก็ต้องระวังเดแต่ถ้าว่าช่วงทมันเป็นนเป็นอะไรกันเกี่ยวข้องกันมันก็จะดีกันแต่ต้ออว่าช่วงไหนที่มัน กรรมอะไรที่ไม่ดีมาให้ผลเดียวกันทะ้รอบโบงกันได้ลองเกลียดกันได้ไม่พอใจไม่ชอบใจกันขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องมารับสาจิตของเราหาทางออกให้กับจิตของเราเนี่ยมันริงเต่าทาอะไรอยู่ก็ตามมันจสอนให้มาหาทางออกให้กับจิตเองเพื่อออกจากกรรมก็ใช่เพออยู่เหนือกรรมก็ใช่เพ่สลจากกรรมก็ได้เกกันสารคสอนของจาจรยมาที่จิตของเหล่านี้มันก็าเัว่าสาให้เราไม่ประมาททาประโยชน์เต็มให้ถึงท้อมาที่อันเดกันหมดเลย สำคัญจริงความมีสติรักษาที่เรารู้อยู่ปัจจุบันนี่เรียวมา ร่างกายอันนี้เป็นของยืมใช้ชั่วคราวได้อันนี้เลยละจิตยอมรับความจริงละเรลยละจิตมีปัญญาขึ้นมาแล้วสามารถปล่อยวางให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติของกายละไม่เอาร่างกายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราต่อไปแล้วนีะมันก็จะเราก็จะได้ประโยชน์แล้วเอผู้เจ้าสอนเนี่ยให้เข้ามาดูสังขานว่ามันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเรื่องต้นก็ร่างกายเนี่ย เรียนทั้งพวกลูาธรรมะทั้งหลายเนี่ยสิ่งทีส invade, ส ENE, them, media, ่ปรุงแตขึ้นมาเนี <phr asing S 1> ่ย <recht> สิ่งที่มีอาศัยเหตุปัจจัยการเกิดขึ้นตรงนี้แต่อยู่ในสังขารหมดละมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกันย่างดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันเนี่ยเหตุปใจเกิดขึ้นเกิดขึ้นระบาดไปทีนี้เวลามันเจ็บมันปวดเนี่ยเราก็เอากาสนี้แหละถอนจิตซะเลยเมื่อมันมาให้เห็นละมันมีอาการทมันขึ้นมาแล้ว มันโผลขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะสึกหรือทุกข์กตามแต่ทุกขาก็มีตานี่หมันชัดเจนแล้วเานั่งนานแล้วมันเจ็บมันปวดอย่างนี้ก็นุ่นเป็นโอกาสดีเลยอ่านี่แหละมันต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจริงไม่ใช่ของเราจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมันจริงเมื่อปัจจัยเกิดขึ้นจริงแต่ลรลุกไปลุกเหยียดเท้าเหยียดขาและวยืดเส้นยสายมันก็หาไปแล้วเมื่ออยู่กับเรตลอดไปรุ่นเป็นอะไรก็ชจังมันเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารเราห้ามมันไม่ได้สำคัญเป็นิต เราให้รับย้ำรับความจริงรู illing, ้ความจริงเนื้อต้องหมายของคําสอนของพุทธเจ้าต้องการให้เรามารู้ความจริงรู้วยจิตและรื่อู้จากกันจากการที่ได้ยินไดฟังมาแต่ถ้าได้ยินไดฟังปั๊บมันน้องเข้าไปและจิตเรารับรู้ขึ้นมาจิตรักษาได้จริงจิตระวางเฉยจริงจริงว่ะเออจริงมันเป็นความจริงแต่นนี้เวลาภาวนาเขาบอ่มันอยู่ตามธรรมชาติเหมืนไม่ใช่ว่ามันใจมันดับไปนาะมันจะดับหรือไม่ดับเรื่องของ เ็สงขามเหมือนกันมันโผล่ข้นมาเป็นเรื่องราวเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างวนเวียนอยู่ในจิต ข, ของเราเนี่ยคราวนี้มันโผล่ขึ้นมาจะดูเลยนี่แหละยิ่งกลเป็นแสงขามเหมือนกันสุดท้ทายไปเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเรารู้ความจริงนี้แลว้วเราไม่ประมาทนะจริงม่จะวางเฉยกับพวกนี้ได้ยังไงคือเห็นเ่ามันหน่อมันอยู่ข้างบนเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปข้างนมั น, นเกิดตัวมันเกิดตไม่นเสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไร คับัญชามันไม่ได้จะห้มันก็ไม่ได้มนคัมันไม่ได้ทิงมันก็ไม่ได้มีเรี่ยวมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตี้ตนเราจีบมนคับบัญชาไม่ได้มันคืออนัตตามันบัชาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงมันบัญชาไม่ได้หรือก็คือหาความจริงหมดแล้วเวิญญาณที่จะรู้เรื่องนนเรื่องนี้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนการเป็นภาพนิ้วเป็นธรรมชาติันรู้ประมวลเข้ามาก็คือคุณสมบัตของจิตก็คือกิดจิตนันเองที่คุณสมบัต สุดแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงและมันมีอีกนะไม่ได้มีแค่ว่าสังขานว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดนะมันีถึงจุดหนึ่งมันไม่เปลี่ยนแปลงความรู้อัเนี้คือถึงจอริยาน่ะมันมีอะไรมาปรุงแต่งจิตให้เปลี่ยนแปลงได้อีกมันมีจุดสุดสุดมันมีจุดจบมันมีจิตเลี่ยนตัวเหมือนพระพุทธเจ้าเองถึงสุดสุด แบบไหนก็ตามต้องมาที่จิตของตัวเองต้องมาปฏิบัติที่จิตให้รู้เท่ากานจิตของเราแล้วก็สงนจิตเราให้รู้ความจริงเจิตเราเป็นหนูเราอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวภายในจิตจึงนการขึ้นในจิตเกิเป็นธาตุเป็นการเกิดขึ้นในจิตผมก็ชวนไดปดกว่าเอ้าแล้วแล้วทำไมจึงมีธาตุล่ะอ๋อเป็นการเรื่องเข้ามาเขามรือนมันจะเป็นพุทเป็นพบทธคือเอาเรื่องเข้ามาเข้ามาเรื่องคนนบังเรื่องคนนี้บั่งเรื่องเหตุการณ์ตรงนั้นตรนี้บั่งสิ่งที่ตาไปเห็นบั่งหูเจมู ถึนด้ยิ้มได้จะได้กินยิ้นได้รสก็ถูกต้องสำหบับจิตจิ้มกนขึ้นมาแล้วก็ทับจิบเข้ามาจิบได้อกยังมาจิ้มวนเวนหมดก็ต้องมีเรื่องหะไรนี้เข้ามาก็าต้องมีสติรทันหมดเลยมันมีเพราะอะไรมันมีเพราะมันมีอุปาอทานยูคาตาก็เลยไปยึดเรื่องข้างนอกเข้ามาแล้วก็มัเข้ามาใส่ล้วมนจิบเองแล้วจิ้มเป็นชาติขึ้นมาชาติาานะะานะ จ, จะมีชรามันนะมีโสกจิบเป็นโสกปุโร่ะ ทุกอากโทมมนเป็นเสปลายยอักมันเป็นกระแสะของทุกคนเลยเคนทุกคนโันดูเปิดสอบดูอ๋อมันมีทุกกรพอิบชาดมีชาดก็เพริบมีเพชรแต่เรื่องภายในเขามีเพชก็ต้องมีประทานถ้าไม่มีอุปทานเี่ยมันมีตันหนาโอตามไปตามไปอย่างเงื่อนเสาขึ้นมะาอยู่มันมีตันหนาแต่ทำหมดเลยแต่ไม่ทานมันมันมาปิด มีนัญหาเมีวาทมีว่าแลก็มีทกมีล้มีข้ามีสาเชิาโมในแน่กับตนว่าทุกกเต้นในายจะหนนกระแสของทุกน่วจิตเหมือนทุกมืเกิดขึ้นในจิตเลเป็นธรรมชาเลยเนี่ยกระแสเหล่านี้เป็นกระแสธรรมชาติในจิตของต่ละคนกระแสของสัตว์จิตของสัตว์โลกทั้งหมดที่เป็นทุกได้เพ่ออย่างนี้เพราะรู้ในันการทางานของจิตตัวเองตอไม่มีปัาละอ๋อมีมีปนาใช่ป่าสบายไม่สบายสบายก็ชอบใจไม่สบายไม่ชอบใจปัญหา อ๋อที่นางปัญหาก็คือเวทนาแต่ทำเป็นเวทนาปนาก็ไม่เกิดรู้เหรอมันสบายก็รู้ว่าสบายไม่สบายรู้ว่าไม่สบายเจบก็สบายรู้ไม่ความมู้จะเอาแล้วทีนี้มันวิ่งลุ้นอยู่ในจิตตั้งบางทีเป็นวันเป็นคืนเลยหลายวันหลายคืนกว่าจะรู้สึกตัวได้หรือไม่รู้สึกวิ่งตามมันอยู่ตลอดก็เป็นได้ด้วยวนี่คืความหลงทำไมจึงมีเวทนาอมันมีปัจจัถ้าไม่มีปัะจัยมีตาหูจมูกมืนกายใจ แต่วนั้นมีโยมมาถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาอะไรทําังไงอะอะไรติดใจเราเนี่ยหรืออะไรนี่แหละกรรมเก่าอะไรคือกรรมเก่าพี่โยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่าเพราะเรามีความลุ่มหลองเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวไราทำเราทำเราเราเราเนี่ยมันก็งอนนี่แหละมาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะมาใช้กรรมกรรมเข้ามาเนี่ยมาทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้าง าตาเห็นก็มันไม่สบายใจกรรมไม่ดีให้ผลแล้วตาเห็นสบายใจกรรมดีให้ผลคุได้ยินเสียงเนกับอย่างเมนนื่อไานฟังธรรมะโอ้รู้สึกว่าใจสงบใจสบายรู้เรื่องรู้ราเข้าเข้าใจวน่นี่แหละกรรมดีให้ผลเคยฟังธรร ม, มาเคยปฏิบัติธรร ม, มาเคยสร้างบุญกุศลคุณงามความดีมามากมายมห า, ม า, ม า, มาศาลจำนวนเข้ามาเจนถึงวันน่านี้เวลานี้พระเป็นพระเจ้งทรงปเจนอยู่บอกได้เลยจ่ังจ่ามังเคยเป็นอย่างนั้เคยทำอ่งนั้นฟังธรรอ่ง คุณเจ้าของน้ำมันว่าอย่างนั้นอย่างนี้รักอาลัยเจ้าคูบาจว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างทีดยินไม่ฟังมาแล้วตระินเข้าดจนถึงวันนี้ได้ก็ต้องดูนั่หละมีกรามเหมือนกันกรรมเก่ามนจึงมาถึงวันนี้ได้แล้วเวลาจะสายกรรมต้องเปล่าหูจัหมูกรินตายใจคตรทางนี้ท่านั้นถ้าใครสำรวมหมุางนี้ได้เวลาจะควบรวมปั๊รู้ทเจ็หรือในทางนาวเกิดสบายใจไม่สบายใจอ่ะอะอะไรรู้ทันไหมถ้าไม่ทันบานแล้วมีตัหาแล้ว ปัญหก็คือพราะว่าปัญาว่าปัญหาเกาไม่ปัญหาบางทีก็อยากเาเข้ามาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นภวิภวะปัญหาอยู่ในจิตหมดเลยกระบการทํางานนี้เป็นการทํางานของจิตทำหนือไม่ทำถ้าทันแล้วก็ใช้กรรมไปเลยแล้มันไม่สบายเลยรู้ว่าเป็นกรรมเก่าของเราให้เกดแล้วเป็นี้บากกรรมของเราก็ไปเจออย่างนี้แหละห้ามไม่ได้จิตของคนเราเนี่ยเหมือนปูนเคอปูนปั้นอะไรมามันก็หมัก ในเร like ื่องนั้นล่ะเอยคิดมุกบุญแต่อะไรมาคนบาคนเคยี้โกิดมาส่องแสงความโกรธอะไรมากๆก็บ่อยเนบางคนก็ื่อน้อยใจน้อยใจบ่อยซึมเศร้าบ่อยๆเคยคิดจะฆ่าตัวตายบ่อยๆอยาฆ่าตัวตายอยู่เรยเนี่ยนี่น่ะคงเคยชินไปในกิเลทเก่าเนี่มันคอยให้ผลแต่ครนนี้เราไม่ทำตามเราลุ้นเรามีสติรู้ไว้ถ้ามันไม่ไมันิดขึ้นมาก็รู้มันจะคิดาตตายอยู่เราไม่ทำตามมันเกิแล้วก็แบบสุดท้ายจิเลเกิดนบบ กูเซ็นรกูเซ็นเกิดว่าแบบนี่นมันกินพ้นได้เหนือมันได้แต่กูเกิดไม่เป็นับบโดยความรู้ทันอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนัถ้าตบใดที่เรายัมีชีวิตอยู่มีตาหูจมูกนิ้วตาใจปอบนั้นต้องกระทาะอารมณ์แนเพราะเรายัอยู่ในสิ่งรดบ้อยู่คนสัต์สิ่งของเรื่องเล่ามีกาในบางๆมากมายในธรรมชาติก็มีเรื่องเล่ามีการต่างๆเกิดขึ้นต้องกระเทาะอารมณ์แน่ๆนี่แหคือการเกิดต้องกระทบะอารมณ์กระทาะรมณต้องถึงจุดเราแน่ จริงเราก็ต้องมีขึ้นอยู่กความรู้ของเราถ้าไม่รู้ก็ต้องเป็นทุกข์แล้วดีใจเราพอใจมีความฝึกเสงว้ความสุกข์ขนาดไหนมันก็ยังเป็นทุกข์ได้เพราะจิตเราหลงยึดจิตข้องอยู่เหมือนชอบใจขนาดไหนมันก็เป็นทุกข์อยู่ดีเป็นสายทุกข์อยู่แล้วถ้ารู้ไม่ทำมันเป็นทุกข์เท่านั้นเลยจะพาวเราเรียนนอกกายเกิดเรียนจเป็นเรื่อ ง, ง, งจิตตั้งเข้ามาจิตหมดเลยคำสอนของดิจัต สุดท้าจะเป็นจิตของเราที่ไม่รู้ความจริงเพะนั้นพรา้นธรรมชาติของจิตเรามันเป็นอย่างนี้ทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ยังอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพอมันเกิดมาแล้วต้องกระทบอารมณ์แน่ๆกระทบอารมณ์แล้วก็ต้องมีความรู้สึกขึ้นหมาสบายไม่สบายถูกใจไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วมีตัณหาขึ้นมาแล้วมีตัณหารู้ไม่ทำก็มีเวทานมีเวทานไม่ทำอยูก็เป็นภพเอามาวาในจิตตัวเองก็ปุ่กันเป็นตัวป็นตเป็นชาติ ตายไแล้วก็ไปเกิดเนี่ยถ้าเรา่ตายก็วนเยียนอยู่ในจิตเกิดสรามรณะหม้ว่าควอที่อารมณ์่มันจะดับไปเนี่ยค่อที่เราจะตายไปเนี่ยมันต้องมีโศกะแต่ที้เธอว่าทุกข์โทมานะเซลวาเลสส์ทั้งหมดนี่แหละเป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดทุกข์เป็นธรรมชาติเลยเนี่ยทั้งหมานีเป็นธรรมชาติอยู่ในจิตของแต่ละคนรู้ไม่รู้แ่นีถ้ารู้ก็ไม่เอามาเป็นทุกข์แล้วแต่ารู้เป็นธรรมดาอย่างนี้เองยรู้ทำหมดละ ที่ทางอกคือเปหนอ่งนีน้่เราประโยชนติมก็อยู่ตรงนี้เด้ยแต่ผู้ใจจึงบอกว่าเิ่มเติน เ, เราไม่รู้มียวิชาเป็นตัวเป็นตนมีต่กับเราทำกรรดีกรรมชั่วเป็นเราทาไปหมดเนี่ยเสร็จแล้วเก็บเอาไว้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เก็บไว้ในพลังกจจิพลังวิญญาณแล้วก็มาเกิดเกิดแล้วมีตาหูจมูกลิ้นปายใจมีลูกนามเพื่อจะรอรับกรรแล้วในลูกน้มนั้นก็มีตาหูจมูกลิ้นปายใจแล้วกรรมเก่าก็คอยให้ผล เวลากระทบอารมณนั้นตางตางหูบังจมูกบังลิ้นบางกายบังใจบังใจจะนุกขึ้นมาได้เอาเรื่องราวเข้ามาเอาตัวเองเป็นทุกข์ได้อที่เฉยคนเดียวก็เป็นทุกข์ได้ถ้าไม่รู้จาเป็นต้องรู้ถ้าไม่อยากทุกข์ถ้าไม่รู้ต้องทุกตลอดไปทุกชาตินี้พอพาเยือนได้ไปเกิดทุกต่อต่อไปไม่งที่สิ้นสุดนี่คือะปรางค์สฝัแล้วฝัเป็นเหมือนเหมือนเหือนเงินเยเหมือนกับเหมือนกเป็นวงกลมอะสังสาระีนหม่ามันเหมือนลูกโซ่ รันยยาวอ่ะมันต on so er ่อเนื่องอ่ะเป็นข้อขเกิดบัตรเกิดบัตรแต่มันต่อเนื่องเป็นเหมือนลูกโซ่ท่นว่าอสงสารละสองสารละวัวัตวนเวยนเวียนไที่สิ้วนวนวนโกลม่ะยื่งไปยื่นไปยื่นไปวนอย่งั้นไสนสุดคนโบราณจงว่ามันควรหรือยังอ่ะที่จะเดือนนายนยเวลาผู้ใจผูสุภาษิตอะไรจะตามเน้เวลาเจ็บปักโจะถามสาวของาดูกนที่ ทีควรจะเบื่อหน่ายผมควรจะเบือหน่ายหรือยังผมควรจะขายจำหนักหรือยังผมควรที่ค้นไปจากมันหรือยังเนี่ยการเติดอันนี้นี่พวกจะถามอย่างนี้เลยนะนี่พวกประวัติเขาพวก็เหมือนกันเล่าในชาบิกอะโอ้โหทังสายและวัดมันน่าเบืออหน่ายนะผมควรหรือยังเน่ยควรจะเบื่อหน่ายควรจะคายจำหนักตำหนักก็คือหลงยึดิกข้อยินดีไปจำมานอกผมควรหาทางค้นไปจกมันได้หรือยัง เราก็ถามเราดีเราสมควรหรือยังถ้าใครใครรู้สึกว่เออมันสมควรแล้วละ่ะมันทุกอย่างลาบากขนาดนี้โหยี่่อย่างนแ้วเน้นเนนเนนอีกควนจะปรินญาตรานควรจะตายไปยังสังเสียดินวาระชุบห้นเนื้อมถึงที่ละวยามนี้ถาหากว่าเออรู้สึกว่าสิพาสิปองกโลมันแจ็มเจ่งทัดเจียนขึ้นในจิตเราแม้เรารู้สึกว่าเออถึงวาระแล้วเนี่ยสมควรแล้วต่อไปนี้เราจะหาทางออกแล้วโหยอย่างนั้นเนะ่ย เรียกว่าพลัการมาของเรามีคุ้มค่าจริงๆโดยนั้นนโมทนาอย่างยิ่งอยว่าแต่มนุษย์เลยนะเทวดานี่ก็จะชื่นชมเลยนะนโ ม, มธนาทันทีเลยนะอยากเปี่ยสาโวโมของพระองค์อ่ละผมละที่เป็นสามวโมของพระองค์เข้าใจริญพาิดของพระองค์แล้ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหาทางออก เ, กเดินตามทางของพระธญาตอย่างแท้จริงอ่าสอนสมเด็จจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายจะสรุปเรื่องเลือดสัสี่ ปฏสมบาปฤสเนี่ยสุดท้ายมันเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งเป็นกระแสที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตเป็นกระบวนการต่อทุกข์ขึ้นจิตแต่เราองทุกข์และปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ต้องมาดูหรือเป็นข้อปฏิบัติอายรนี้เป็นข้อปฏิบัติ เ, เพื่อออกจากทุกข์นี่คอทุกขเห็นไหมทั้งร่างกายทั้งจิตใจม่วัดยมาเ้นยาเส้นขานยืนยันนี่คือทุกขเนี่ยใจอ้นก็เป็นทุกข์ด้วยกาใจนี่แหละคือเจ้ทุกข์นี่คอทุ ถ้าหแกงชัดมันก็ไม่เป็นจุมันก็เป็นธรรมไปนั่นทุกก็เป็นธรรมได้นี้คือทุกให้กำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วถ้ากำดรู้แล้วไม่ว่ามนวานเฉยได้แล้วรู้คืาหนดรู้แล้วภาวนเฉยยังไม่ได้ไปดูไปก่อนรู้ต้องกำหนดรู้ไปก่อนรู้คือทุกข้กรู้กำหนดรู้เลยรู้ดูมืนจะอูกันรู้ก็ดูเวาก็ดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณดูอะไรโผล่มาดู มาั้นสุด้ายเป็นหนึ่งเมันเป็นตัวทุกข์หมดกายใจนี่แหละคือตัวทุกข์ตาหูจมูกนิ้วกายใจคือตัวทุกข์เนี่ยที่มาของทุกข์ถ้าเรารู้ไมทันจะห้หเี่ยท้งอยู่กายวิพากษิตธมเนี่ยก็ต้องมาดูตรงนี้หนึ่งข้อปฏิบัติเพื่อยันเหนทุกข์เนอทุกแล้วก็สาินน่ทุกข์คือความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความมีอปานไปยึดมันอยากให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ย ปเปกเดียวกันแล้วีริงก็คือความไม่รู้ความจริ ง, งนี่แหละเป็น ว, นวิชาเมื่อวิชาก็มีกิ เ, เลสนอนเรื่องแล้วคอยอยู่นอนจังหวะโลกาให้เปิดทุกคนนั้นต้องดูข้อปฏิบัตินี้แหละที่จะเมื่อยและย่ายสริเนี่ยมาดข้อปฏิบัติที่เขากำหนหดรู้ยสมัยที่เรียนมัธยูอยู่ชั้นมัธยมบ้างอะไรบ้างโอ้โหท่องรถเกี้ยย่าีิเนี่ยแต่ท่องไปล้เบื่หนาที่สุดเลยมันอะไรก็ไม่รู้ ทุกชนุ been, ่ so, ่หมากทก่่มหมากทกท่นเลยนะดยที่สุดครวิชาพินดำเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมนถึงคุณค่าเออได้ยินไดฟังมันก็เป็นบุญนะเออที่เราได้ยินไดฟังพอมาเข้าใจเปีนแจ้งแล้วโอ้โหสมัยเป็นเด็กเราเนี่ยเหมือนไม่แจ้งในคุณกองไม่รู้เรื่องแต่ว่าทีนี้มาเข้าใจุภาษิตมองเจ้าทุกขให้พันหนึ่รู้แต่ะได้พัฒน์นึ่งรู้แล้วนนรู้แล้วทุิงแล้ว กมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้แล้วมันบนๆมกายใจกทุกของทุกกานึไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ฝักบุคลตัวคนเราเขาไม่ใช่อับปามันเป็นอัตาเพรนันุทุกเกิดขึ้นไมได้เตุบทกไม่มีมาดนี้เหทุมันจะยุดิแล้วมันจะเอาเข้ามาแล้วนี้คือเหตุบรงทุกให้ลให้ตัหา ถ้ากำนดรู้มันก็ประหารขอมันมาลาของมันม น, มนี่เลยพระนี้คือความดักทุกทุกไม่มีในจิตทำให้แก่แต่ให้เห็นกชับอันนี้มันไม่มีทุกใ น, น, นจิต เพาว่าคงธำไม่ เลมีคำตอบให้อ๋อเป็นอย่างนี้เองแต่บคนไปกลับพระเจ้าที่นันที่นี่างคนเป็นนิสเขาเป็นจิตขงเขาเป็นไฟขึ้นมาแต่พระจริงๆไปไหนพระเจาบอกแล้วเหมือนไฟมันดับแล้วไปไหนไฟดับแล้วไปไหนกันมีไฟก็เหมือนกับว่าเออรวมขี้ขึ้นเข้ามารวมเนเป็นไฟขึ้นมากำหนดเชื่อแล้วคนจึ้ก็สลายไปกับคืนไป ก็ เ, ก เ, เ, เ, เจ็บมืจตใจแล้ก็ต้องมไม่ต้องาสาวหาอะไรแล้วทีนึงใครจะพูดพระเจ้าจีงจงมากรช่งางก็ธรรมชาติจริงๆคาาําคสอนจริงๆมันอยู่ตรง น, นี้เ่าเชื่อพูะพุจ้าหรือเชื่อใครนะเราก็เอาเชื่อพระพเจ้ามันก็เจ็บมไม่ต้องไปมีเรื่องอะไรหนักหาเกินคำสอนของพระ อ, องค์ไปเอาสุดท้ายแล้วมนะ่ให้เราสมนงจิตใจดูช้าพระทธเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลย ใครอยากบูชาที่แท้จริงก็คือว่ากายจใจนี้วางเราไว้เลยอย่างที่พระองค์สอนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต่อไปแล้วลูกนามกายใจนี้มาจากเหตุจากปัจจัยพันลมาจากอำ น, นาจของกรรมไก่เฮ้ยมันจะนั่้เราสร้างกรรมใหม่เวลาใส่นีน่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้านามิมันจะให้สร้างกรรมใหม่แราต้องสร้างกรรมใหม่คือปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากกรรม คนจะดกาอยู่เนื้อกำหนดหรือฉลาดแน่ที่นี่หาทางออกแก้ชีวิตเองได้แล้วอย่างน้อยพบทางรู้ทางไว้ก่อนความรู้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะใครได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ถือว่ามีคุณค่าที่สุดเลยเพราะฉะนั้นลองมาแล้วเราได้ฟังข้อจัดทำคาสอนของพุทธเจ้านี้มีค่าแต่อชีวิตจิตใจเรามากนันเป็นทางออกจริงๆ อย่างน้อยั้นไม่ยไม่ฟังไม่ยิไม่ถูกแค่ต้ก่อนขั้นปฏิบัติแค่ว่ากนันทีึก็ค่อยๆปฏิบัติไปจริงตามลำดับถ้าไม่ได้ยไม่ฟังเลยผไม่มีความรู้ควเข้าใจเลยเลยมันจะไปเอาอยางอื่นมาแทานหมดอ่ะโหนไปหมดเลยได้ยไม่ฟังขั้นนี้ถูกต้ตรงต่ตาักทำคำสอนของมุทิตาหมดเกลดอ้าวคราวนี้ปฏิบัติตรงแล้วก็มันจะกออกเองหะทาองออกได้เองจิตของคนเราเนี่ย อยตอนนี้แต่จิตวิญมีกําลังวาวางบูชาพระพิจายเลยสมกับที่พระองค์สอนสารโยของโรงอะอง่ะมันไม่มีอะไรเป็นลายเป็นของเราหรอกเนื่จาพระองค์ก็เหมือนกันแหละพาายาลัยก็มีปัญญาทางเรีเยบร้อยที่ถ่ายก็ศีร่าพระองค์ของเราไปมาแล้วเดี๋ยรู้ว่าเป็นธาตเป็นธาเป็นผ่านเป็นธาตุาาหรืออะไรแล้วเนี่ยจิตใจนามธรรมหมดส้นหุปะจจัย ก็ขับคืนไปสู่ธรมรมชาติเราก็วางที่นี่าบูชาอย่างแท้จริงปฏิบัติตามคำสอนของหลวงทุกอย่างได้ขนาดไหนจะเอาขนาดนั้นแต่เราก็ย้ําอนิยทานของเราข้าพเจ้าจะพยายามประพฤตปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของข้าพรเรจ้าเป็นที่มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอาริยสัจธรรม เป็นนจากทุกในวัฏสง้าด้วยเถิดแล้วก็ต้งใจุทิศนะความน่าปรติเจ้าวมนาระธรรมความน่ระเสรจึงเป็นบรรดาบุญของข้ารเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้าติเยวดาจะรักษาและนายเวของข้าราชกาให้เจ้ายาเตีวดาที่รัาและนายเวของขอของแม่สามีพัญยานลูกหลานพี่น้องญาติสนิทผู้มีคุณของข้าราารใเจดีย์วิญญทั้งหลายที่ปกปักษ์และคุ้มครองส่าที่แห่งนี้ ดวงวิานทั้งหลายที่สิ้นเสร็สดิดยอยู่ในบริเวณนี้ดวงวิานทั้งหลายที่กำลังตัองการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกสันทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าโดยเกิดเมื่อรับเอาบุญแล้วตั้งการสิ่งใดให้สมความปรารถนาะเดือนนาตั้งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแหล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้มาปกปัรักษาคุ้มครองเพื่อเนื้อเกื้อห น, นุนข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสำเร็จมีแความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยเิ เดินทงการเดินทางของขาพระเจ้าให้มีแต่ความเชีาา่ยวชาญแลอดภัยมีความรารื่น ม, มีความเรียบร้ายลงตัวแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ยิ่ขึ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าจหมันทาบุญแล้วก็อุทิบุญต่างๆนี้ไปทำความรู้สึกบนใจให้บุญไหมเรอยากอุทิศบุญไปที่ไหนอีกย้าได้เราจะมีต่อไปนี้นะ